เรืองทุนแรงเอาชนะความเคยชินกับการติดที่นอนเมื่อลืมตาตื่นแบบสึมเศราเหมือนมีแรงดึงดูดไม่อยากให้ลุกไปไหนอยากเข้าใจว่าเป็นแค่ความอ่อนแอทางใจอย่างเดียวให้สังเกตว่าที่นอนนุ่มยวบรับการทิ้งน้ำหนักตัวเหมือนกับดักห่อตัวคุณไว้ทำให้เนื้อตัวคุณอ่อนแรง ไม่อยากฝืนออกแรงลุกอักเปลี่ยนที่นอนที่แข็งขึ้นไม่ต้องถึงกับกระด้างเป็นไม้กระดานแต่แข็งพอจะทําให้รู้สึกว่ามันไม่ได้อยากกักตัวคุณไว้ตัวคุณลอยอยู่เหนือมันไม่ได้ถูกดูดติดอยู่กับมันกล้ามเนื้อของคุณจะพร้อมทํางานมากขึ้นส่งผลให้เกิดความรู้สึกทางใจอยากลุกมากกว่าเดิมดังนั้นแค่ตั้งใจนิดเดียวว่า จะลุกตามเวลาไม่ไอ้อยอิงจิตใจกับความคิดก็จะทำงานเป็นทีมไปด้วยกันได้สำหรับบางคนอาจแก้ปัญหาซึมเศร้าอ่อนๆได้ทีเดียว